เกมกรรมบทที่9วิธีหยุดเล่นเกมความสามารถหยุดเล่นเกมคือใช้ชนะที่เด็ดขาดต้องเหนื่อยเข้าเส้นชัยอีกกี่ครั้งถึงจะรู้สึกว่าเป็นผู้ชนะจริงๆเสียทีเล่นอีกร้อยครั้งก็มีโอกาสแพ้อีกร้อยครั้งจะรู้สึกชนะจริงได้ยังไงหัวข้อทำความรู้จักเกมให้ดีขึ้น 1>, 1. ธรรมชาติพื้นฐานของอุปกรณ์เล่นเกมดังกล่าวแล้วในบทที่สองว่าด้วยอุปกรณ์เล่นเกมคืออุปกรณ์เล่นเกมถูกตกแต่งให้พิสดารเป็นต่างๆกันก็โดยกรรมเก่าไปเสียทั้งนั้นกฎเล็กของเกมกรรมคือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแม้รูปร่างลักษณะหน้าตาส่วทรงองเอวสัดส่วนแขนขาต่างๆก็ถูกตกแต่งขึ้นด้วยกรรมเก่าทั้งสิ้น รากกับจะฟ้องให้รู้ตั้งแต่แรกพบกันเลยว่าคุณเคยดีหรือเคยร้ายมาประมาณไหนแต่ความไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังย่อมทำให้คุณคิดง่ายง่แค่ว่าใครสวยหล่อ ก, ก็โชคดีไปใครขี้เรหน่อยก็โชคร้ายหน่อยคนทั้งโลกประชันหน้าตากันอย่างไม่รู้เลยว่าทำไมใครโชคดีทำไมใครโชคร้ายและที่สำคัญคือไม่รู้เลยว่าทำไมถึงต้องมีความต่าง กรรมเป็นผู้วาดหน้าตาผู้เล่นเกมแต่ละคนจึงคล้ายจิตรกรที่วาดรูปร่างหน้าตาและลงสีให้ตนเองใครฉลาดในเกมกรรมมากก็เอาหน้าตาสวยหล่อไปใครมืออ่อนในเกมกรรมก็ได้หน้าตาจืดชืดแทนธรรมดาของกายอันเป็นอุปกรณ์เล่นเกมคืออย่างนี้เองอย่างไรก็ตามนั่นเป็นแค่ผิวนอกธรรมชาติขั้นพื้นฐานของอุปกรณ์เล่นเกมทุกคนมีความเหมือนกันอยู่ กายมนุษย์ทั้งหลายประกอบขึ้นด้วยของแข็งคงรูปเช่นเส้นผมเส้นขนเล็บมือเล็บเท้าฟันเนื้อหนังและอื่นๆกับทั้งมีของเหลวที่พร้อมไหลเช่นน้ำเลือดน้ำหนองน้ำลายและอื่นๆกับทั้งมีไออุ่นที่กระจายความร้อนได้เป็นอุณหภูมิในร่างกายกับทั้งมีของพัดไหวที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้เช่นลมหายใจลมจากทวารหนักเป็นต้น กล่าวโดยย่นย่ อ, ยอคือกายมนุษย์ประกอบด้วยธาตุทั้งสได้แก่ดินน้ำไฟลมสำหรับคนตาบอดแล้วใครสวยหล่อยอย่างไรก็ไม่ต่างกันมีแต่ความแข็งของธาตุดินความเหลวของธาตุน้ำความร้อนของธาตุไฟและความพัดไหวของธาตุลมให้สัมผัสยิ่งไปกว่านั้นเพียงแค่มองตามจริงจากประสบการณ์ตรง ทุกคนจะพบเหมือนกันว่าธาตุดินมีความไม่เที่ยงยกขึ้นด้วยกระดูกสันหลังฉาบด้วยเนื้อหนังหลอกตาผูกด้วยเส้นเอ็นน้อยใหญ่คงรูปเป็นวัยเด็กจเจริญวัยเป็นหนุ่มสาวแล้วที่สุดก็ถึงข่าวต้องแก่ชรายิงธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมยิ่งมีความแปรปรัวให้เห็นง่ายโดยเฉพาะธาตุลมนั้นไหลเข้าไหลออกไม่คงที่เลยแม้แต่วินาทีเดียว เราจึงควรจับสังเกตสัจจะเกี่ยวกับความไม่เที่ยงผ่านสายลมหายใจนี้ก่อนสังเกตที่ลมหายใจจะได้เห็นความจริงว่าไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอนานเหมือนธาตุดินและถ้ามองด้วยตาเปล่าสมองอันเป็นส่วนของกายก็เหมือนเป็นต้นกำเนิดของความรู้สึกนึกคิดแต่ถ้ามองด้วยความเชื่อว่าจิตวิญ ญ, ญาณไม่มีเกิดตาย แต่ร่อนเร่ไปอาศัยร่างโน้นร่างนี้ไปเรื่อยก็ต้องมองกายเป็นเพียงบ้านพักชั่วคราวของจิตไม่ได้ให้กำเนิดจิตและความรู้สึกนึกคิดแต่อย่างใดเทาว่าถ้ามองแบบพุทธก็จะเห็นกายกับจิตเป็นเหตุเป็นผลอิงอาศัยกันและกันเกิดดับนามเป็นเหตุปัจจัยแก่รูปเช่นกรรมจัดสรรให้เกิดอัตภาพมนุษย์ซึ่งมีลักษณะต่างๆกัน แล้วรูปก็เป็นเหตุปัจจัยแก่นามเช่นด้วยกายนี้จึงมีกายกรรมและวจีกรรมได้กับทั้งเป็นฐานที่ตั้งของสัมผัสกระทบต่างๆให้เกิดการรับรู้การรับรู้นั่นเองคือจิตรับรู้คราวหนึ่งก็ถือว่าจิตเกิดดวงหนึ่งความรับรู้ดับลงก็ถือว่าจิตดับไปอีกดวงหนึ่งสาระที่สำคัญคือทั้งรูปทั้งนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนที่มีอยู่โดยดั้งเดิมและไม่อาจบัญชาให้ตั้งอยู่นานเท่านั้นเท่านี้นี่คือธรรมชาติพื้นฐานของอุปกรณ์เล่นเกมกรรมทั้งฝ่ายกายและฝ่ายใจ 2. เกมแห่งความไม่รู้พวกเราเล่นเกมอยู่บนความไม่รู้หรือจะเรียกว่าเป็นเกมแห่งความไม่รู้ก็ได้ ตลอดเวลาเต็มไปด้วยเรื่องของการใช้สัญชาตญาณตามกิเลสหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการคาดเดาและการลองผิดลองถูกพ้นจากผวังและฝันเลอะเลือนในท้องแม่บุญเก่าจะส่งให้คุณปรากฏตัวขึ้นในโลกและพร้อมจะรับรู้ในระดับหนึ่งผ่านรูปที่กระทบตาเสียงที่กระทบหูกลิ่นที่กระทบจมูกรสที่กระทบลิ้นของแข็งอ่อนร้อนเย็ยนที่กระทบกายและสภาพธรรมต่างๆที่กระทบใจ แต่คุณยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เห็นและได้ยินเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและสำคัญที่สุดคือคุณไม่รู้เลยว่าตนเองเกิดมาได้อย่างไรทำไมถึงเป็นอย่างที่เป็นเมื่อไม่รู้ก็ต้องเผชิญหน้ากับแรงบีบคั้นให้เกิดกิเลสประการต่างๆแล้วตัดสินใจโดยยือนอยู่ข้างกิเลสบ้างยือนอยู่ข้างมโนธรรมบ้างคุณมีแต่มโนธรรมเป็นที่พึ่ง ละมโนธรรมจะตามหรือสูงก็ขึ้นอยู่กับว่าบุญเก่าของคุณส่งมาอยู่กับพ่อแม่หรือครูแบบใดอารมณ์และความคิดของคุณตั้งมั่นหรือแปรปรวนได้แค่ไหนในเกมย่อยๆทั้งหลายนั้นคุณเล่นเอาแพ้ชนะกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้อะไรจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปครองโดยมีคติว่าผู้ชนะได้ไปทั้งหมดแต่ในเกมกรรมคู่ต่อสู้ของคุณ คือกฎแห่งกรรมวิบากที่ไม่มีหน้าตาแต่มีตัวตนอยู่จริงคุณมีสิทธิ์เล่นแค่ให้เสียน้อยที่สุดคุณไม่เคยได้อะไรจากเกมกรรมไปครอบครองอย่างแท้จริงแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะสุดท้ายจะต้องทิ้งให้ทุกสิ่งเป็นสมบัติของความแตกพังเสมอเช่นเมื่อขณะมีอุปกรณ์เป็นกายใจมนุษย์นี้คนกำลังเล่นเกมแห่งความเจ็บปวดสมหวังในวันหนึ่งเพื่อผิดหวังในอีกวันหนึ่ง หลงท้ายที่สุดด้วยการสูญเสียเลือดเนื้อของคนจากไปและการหลั่งน้ำตาของคนอยู่ข้างหลังทั้งคนตายและคนอยู่ไม่รู้เลยว่าจะไปเล่นเกมไหนต่อ 3. การเดินทางไกลหากคุณเคยหลงเสน่ห์ของการเดินทางไกลมาบ้างเช่นเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆ ไ, ไปทำงานไปเที่ยวหรือไปเยี่ยมญาติ เห็นเส้นทางยาวๆทิวทัศน์สวยๆฟ้าเปิดโล่งเป็นระยะๆะะจิตใจปล่อยสบายเหมือนหลุดจากโรงแคบที่ครอบคลุมอยู่ชั่วนาตาปีแม้มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าจากการเดินทางไกลบ้างคุณก็คงคิดว่าคุ้มกันเพราะพักเหนื่อยไม่นานก็จะกลับมีกำลังวังชาสามารถเดินทางไกลต่อไปได้อีกรายละเอียดวิธีเดินทางไกลของแต่ละคนทาให้รู้สึกและนึกคิดต่างกัน ถ้าคุณฟุ้งซ่านจนรำคาญความคิดของตนเองระหว่างเดินทางคุณจะเกลียดการเดินทางแต่ถ้าจิตใจคุณสงบสบายกว่าปกติในระหว่างเดินทางคุณจะชอบการเดินทางเพื่อนร่วมทางก็มีส่วนให้เบื่อหน่ายหรือคลึกครื้นถ้าคุณได้ใครสักคนที่คุยกันอย่างออกรถไปตลอดทางคุณจะรู้สึกถึงความผูกพันที่แน่นแฟนและอยากเดินทางไกลไปกับเขาอีกเรื่อย แการเดินทางไกลในเกมกรรมนั้นซับซ้อนกว่าการเดินทางไกลบนถนนที่ยาวเหยียดมากนักคุณเป็นนักเดินทางผู้โดดเดี่ยวที่ท่องไปในความฝันอันสร้างขึ้นด้วยกรรมดีกรรมชั่วภาพฝันจะผ่านไปเรื่อยเหมือนทิวทัศน์ข้างทางคุณจะติดใจเสน่ห์ของการเดินทางไกลอันเต็มไปด้วยความลืมเลือนและความติดใจนั่นเองจะกดให้คุณตกอยู่ในภาวะฝันทั้งลืมตาครั้งแล้วครั้งเล่า ในระหว่างการเดินทางไกลเพื่อนร่วมทางของคุณจะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆคุณอาจเจอคนถูกใจแต่จะไม่สามารถขอให้เขาร่วมทางกับคุณตลอดไปถึงเวลาทุกคนต้องแยกย้ายกันไปตามยถากรรมเสมอเฉพาะในเกมนี้คุณอาจผ่านประสบการณ์ชนิดนั้นมาแล้วคือเพื่อนร่วมทางหายหน้าไปทีละคนสองคนและในที่สุดวันหนึ่ง คุณเองจะต้องหายหน้าไปจากเพื่อนร่วมทางที่เหลือใครจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามคนความจำเสื่อมย่อมไม่อาจจำการเดินทางที่หน่าเหนื่อยหน่ายได้คุณก็เหมือนกันตายแต่ละครั้งคุณจะเริ่มต้นด้วยสภาพชีวิตชีวาแบบใหม่ต่อเมื่อเติบโตขึ้นสวยสุกทุกซ้ำรอยเดิมนั่นแหละคุณจึงจำความเหนื่อยหน่ายในการเดินทางไกลขึ้นมาได้